ตับบางอปาราทางขมะกุโนผันเตสรงเคปามาเดนาดาวาระกายนาคตาังตับบางอปาราทางขมะกุโนผันเตมหาเทเรปามาเดนาดาวาระกเยนาคตาัง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 สากบางอัปาราทางขมาตุโนพันเตพวกเราทั้งหลายได้ประมาทพลาดพลัง้งพ่อแม่ครูบ า, าอบาจารย์ด้วยกา ย, ด, ยาด้วยวาจาด้วยใจด้วยความโง่เขลารู้เท่าไม่ถึงการ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 ข้ามีดีอะไรข้าได้ทําคุณงามความดีอะไรมีดีอะไรจึงจะไปประมาทคนอื่นเขาประมาทครูบาอาจารย์เขาแต่ตาแกนี่โง่มากนะอาวิ ช, ชาตัวนี้ตาแกนี่แย่มากนะจิตประเภทอย่างนี้นะดูนะอย่าให้เกิดอีกนะใจนะตัวเองนะใ ห, ให้ย้อนกลับมาหาตัวเองถ้าถ้ามันเกิดขึ้นมานี่แหละอันนี้ก็ขอมันเคยมี เพราะว่าหลวงพ่อจะอยู่ในสถานะอย่างนี้ลูกจิ์ลูกหาบางคู่บางคนก็เคยเล่าให้ฟังแต่บางคนก็ขี้อายไม่กล้าที่จะพูดให้ฟังแต่มีอยู่แต่บางคนก็มันอดไม่ได้จริงจรทั้งที่ท่านก็ไม่ได้ประมาทท่านที่ก็ไม่ได้ท่านดุดาว่ากล่าวท่านก็ไม่ได้ทําความชั่วเสียหายอะไรแต่ทําไมเราจึงไปประมาทประมาทเอาประมาทเอ า, า, เอาน่ากลัวบาปจริงๆริอย่างนี้เป็นต้น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 หลวงพ่อมาอยู่ที่วัดปา่าบันดัดหลงตาไม่ให้ไปคาระวะแต่ตัวของท่านเองไปเป็นคาระวะแทนหมู่พวกเพื่อนคือสมัยนั้นหารถยากอีต่างหากท่านไม่ให้ไปแต่ตอนี้ท่านไปเองตรงตาไปเองนี่แหละหลวงพ่อเป็นผู้จัดของคาระวะท่านบางทีก็จัดเป็น1 0บชดุดบางปีนะถ้าไม่พอจัดอีกมีผ้าอาบน้ำ และก็มีไม้สีบอนเลโก็มีดอกไม้ในถุงจัดเป็นชุดๆไว้แต่วันนี้ท่านก็บอกเออเราจะไปคารวะหลวงปู่ขาวนะหลวงปู่ขาวหลวงปู่คำดีหลวงปู่ชอบเราจะไปทางนั้นนะทีนี้เราก็เตรียมไว้ท่านท่านบอกว่าท่านจะไปสามชดุดเราก็เตรียมไว้สักสี่ชุด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 หลวงปู่ชอบถ้าเป็นไปได้สักสองสามวัดเราไม่ให้สองสาวัดหละเท่าเผื่อว่าสัก 4-5 หวัดไปเลยแต่เผื่อท่านพบครูบาอาจารย์มากาบคาวะกันน่ท่านก็จะได้ถวายไปเลยให้จบจบไปเราก็คิดเผื่อถึงขนาดนั่นลหละอันนี้ก็คือองค์หลวงตาท่านก็ไม่ได้ปล่อยปะละเลยเห็นครูบาอาจารย์ที่มีอายุพรรษาเหนือกว่าที่ท่านรักเคารพนับถือ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 ช่วยสาธารณประโยชน์พวกเราในฐานะลูกหลานทั้งหลายวัดไหนที่พอที่จะมีจตุปัจจัยก็มาพร้อมๆกันนะเด้อเอามาทอดผ้าป่าเพื่อถวายองค์ลงตาอันนี้พวกเราก็ได้มาพร้อมกันวันที่สิบสองสิงหาทุกปีจากนั้นมาถึงแล้วกันเราก็ทำพิธีฆราวะท่านมห้าเทเรปรมาเทนะจากนั้นเราก็ถวายผ้าป่า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 เขาเป็นผู้มีศีลแต่อายออุอย่างน้อยก่อนเราเราเน่ยกินเหล้าเมายาสัมเาเลเทเมาจนอายุแก่เรายังเข้าไปบวชเราจะเป็นใหญ่กว่าเขาไม่ได้เขาเป็นผู้แก่ทางธรรมเราเป็นผู้แก่ทางโลกโลกจะไปแก่กว่าธรรมได้ยังไงโลกก็ต้องเคารพธรรมนี่แหละมีอายุพรรษาน้อยแต่ว่าบวชก่อนมีอายุน้อยแต่บวชก่อนผู้มีอายุมากก็ต้องแสดงความเคารพต้องกราบ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 พอกราบเถิดแล้วท่านก็ถามท่านพระอาจารย์ครับท่านมีอายุพรรษาเท่าไรพระองค์นี้กับหมูม่มาหมู่มาผมเพิ่งบวชยังไม่ได้พรรษาพระน้อยพร ะ, น, พระนมทั้งหลายเขาก็อา้าวหลวงตาแก่องค์นี้ทำไมทิฏฐิมานะอย่างนี้ไม่รู้เหลอคนที่บวชก่อนจะให้มากราบพระที่มเพิ่งมาบวชอย่างนี้เหรอ มันได้ศึกษาพินัยกรรมท่านที่อยู่ในสำนักของพระพทุทธเจ้าทํำไมทําตนอย่างนี้พระน้อยเขาตวาดได้แต่อตัวเองก็เป็นเชื้อพระวงศ์เป็นเชื้อพระวงศ์เพราะว่าเป็นศากยะนะเป็นลูกหลานของพระพุทธเจ้ามาจากกรุงก บ, บิลพัฒน์พอเขาดูถูกอย่างนั้นก็โมโหให้เขาเนให้พระน้อยพระนุ่มเอาเถอะพวกเธอทั้งหลายต้อง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 พักที่ไหนทางฤาษีหนึ่งเออขอบใจโยมจากนั้นก็มามาเขามาเห็นฤาษีองค์ก่อนมาก็เลยมาคุยสนทนากันพูดกันหลวงฤาษีองค์มาก่อนเออเดี๋ยวผมจะนอนอทางประตูนี่นะให้ท่านนอนข้างในทางฤาษีนี่เ ค, ครับผมทำไมนก็ไม่มีไฟฉายด้วยใช่ไหมไม่มีไม้ขีดไฟด้วยแห ต่างคนก็ต่างมืดมิดปิดตาอีกต่างหากหลับตาก็ลืมตามันมืดเท่ากันฮะมันอยู่ในในป่าแต่ได้แต่ท่านฤาษีที่มาอยู่ก่อนนะก็เรานอนอยู่ข้างในมันก็ร้อนวะ่ะเราควรจะมานอนขวางประตู น, ะะตนอนเนื้อรับลมหมารับลมเย็นๆท่านฤาษีตรงหนุ่มแล้ก็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 แช่งกันนะเอาเถอะท่านเจตนาเหยียบเท้าหรืเหยียบคอเราอีกก็ทำไมพระอาทิตย์ขึ้นมาขอให้สีสะของท่านแตกเป็นเจ็ดภาคาลือสีเออเออลือสีผู้ที่เป็นอายุพรรษามากเนี่ยแช่งให้รือสีหนุ่มแต่ลือสีหนุ่มเนี่ยท่านได้ฌานได้แต่เนี่ย รู้จักอดีตอนาคตรูร้จักตําดินบนินบนมีอภิญญาสมาบัตด้วยสิี่หเหาะเหินเดินฟ้าได้อีกต่างหาทเนี้ลือสีนี่ทั้งอาจารย์นี่กระดาษตั้งบนภูมิภูมพิมพำพำที่แรกกระดาษพุมพุมพ่มิำพำเหมกันนะพอเหยียบเหยียบนั้นกระทันแล้วเออพอนกักก็พอครั้งที่สองมันหนักกว่าเกา่ดาด่ายิ่งด่าร้ายกว่าเก่าอีกสินี่เออพอใ น, นสุดลือสีเนี่ก็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 ให้ฤาษีอาจารย์มาคารวะอาตมาซะได้พูดไปแล้วโดยท่วงเกินไปแล้วข อ, ขอให้เอาโหัวสใีให้ท่านฤาษีให้เอาโหสีให้ข้าพระเจ้าด้วยอาตมาก็จะเอาโหสีให้พอมเป็นคําคํำสาบ แ, แช่งเนี่ยคำสาบแช่งเนี่ยทางฤาษีผู้แก่นะ่ยทิฐิมันสูงเลยบอกไม่ยอมจะให้ข้าจะจะยบกับ ตือสีสู้ชั่วได้ยังไงที่แรกก็เหยียบเนที่แรกเห ย, ย, ยียบสดาเนะต่อมาเหยียบคอใช่ที่แรกก็เหยียบให้กลาวเว้นไปไกลๆน่ยไปเหยียบสดาของฤษีนะตือศีหันหัวมาทางนี้อีกมาแบบนี้เหยียบคอไปเออไปเนี่ยทางนี้เลยจะให้อาตมาจะให้ข้าพเจ้าเอาหัวศีให้ได้ยังไงเสดธีนมแล้วมั้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 ให้ลือศีตัวนี้แหละลงไปในสระนั้นแหะให้เพียงคอเนี่ยแล้วก็เอาดินเหนียวเนี่ยดินเหนียวที่ปั้นหมอนโปะบนศีสระลือศีเน่ยแล้วก็ข้าพไปเจ้าจะคลายฤทธิ์พอคลายฤทธิ์พาทธิ์โผล่ขึ้นมาจับลือศีมุด น, นะน้ําเลยเท่านั้นเออนี่แหละแล้วก็ดินเหนียวก็จะแตกกระจายเลยหัวลือศีจะไม่แตกในหลาวิธีแก้แคทว่างไง ทางพระราชาโอ้ยไม่ได้ไปจับทหารเขาก็เลยจับลือศีคนนั้นไปพอจับเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ปั้นดินเหนียวใช่พอกหัวไวเท่านี้พอกหัวไว้เสร็จแล้วกอ็อพอเสร็จแล้วก็ลือศีหนุ่มเด็ยก็กคลายฤติอะไรแต่พอคลายฤติพาฤติโผล่ขึ้นมาด้ยเพราะพาฤติมันจะจะขึ้นมาพแลงเลยเนี่ได้กดไวใช่ไหมเอาติดอิทธิฤตกดไว้พอโผล่ขึ้นมาเท่านั้นเอง ตัวเองก็กลักวหัวแตกเหมือนกันนะเออไม่ใช่ไม่กลัวเงี้นแต่เออไม่ทหารไม่ต้องกดใบบาลายยากตอนงัออ้นแต่จะมุดอยู่แล้วเงั้นแต่เออทอนี้ก็พอพระทิดโผล่ขึ้นมาเขาก็จับกดตัวเองกับมุดอีกท่นะดินเหนียวก็แตกพากเลยว่างั้นแ่ เ, รเพรามันอิทธิฤทธิ์เนยมันนั่นเนี้พอแตกพากไปตอนนี้ก็ตื่สีก็เลยขึ้นมา อ, อไม่ก็ไม่เป็นไรแต่นี้ยเพราะว่าแก่เค็ดเลย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 เป็นพระก็ยังหัวดรือไม่ยอมฟังใครอีกนะี่ยโอปุตตเจ้าท่านตรัสนะคนเคยหัวดรือมันหัวดรือและไม่ยอมฟังใครเนะี่ยทีนี้ท่านก็บอกว่าการเคารพกันนะ่ะขณะเราเป็นสัตว์ที่ร้ฉานยังเคารพกันแต่พวกเธอทั้งหลายมาบวชในศาสนาตถาคตเป็นภิกษุเป็นผู้ชําระกิเลสแท้ๆยังไม่ยังหาความเคารพยำเกรงกันไม่ได้เน่ยมันไม่ถูกต้อง มันต้องรู้จักที่สูงที่ต่ำที่ควรไม่ควรพระพุทธเจ้าอะสมัยไหนพระเจ้าขา่าที่ขนาดเป็นสัตว์ทิ่รชาญยังเคารพ ก, กันพระพธองค์บอกว่าสมัยหนึ่ง เ, เราไปเกิดเป็นสัตว์ทิรชาญอยู่ในป่ามีนกกระทาและก็มีช้างและก็มีลิงมีช้างและก็มีลิงสสหายแต่นก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 ข้าพเจ้าจึงคิดว่าเนี่ยตน้นไทรตัวนี้คงเป็นมูลหรือเป็นอุจจระของข้าพเจ้าที่ไปกินตน้นไทรจากต้นนั้นมาจึงได้เกิดตน้ตนไทรตัวนี้ขึ้นนกกรทาบอกอทั้งลิงก็บอกว่าอืสมัยผมมากับแม่นะมาหากินแถบๆนีน่ผมได้ชงแงคอลใกล้ๆว่าวนั่งอยู่ใต้ดินฉันแงคอกัดกินยอดไทรต้นนี้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 เพราะนั้นถ้าว่าข้าพระองค์ไม่ได้ฟังทำจากท่านอจชิข้าพระองค์งค ก, คก็คงจะเป็นคนป่าเถื่อนไม่รู้จักธรรมะที่ข้าพระองค์ได้รู้ธรรมะก็เพราะท่านอจิชิเป็น ค, คนบอกกล่าวะนั้นข้าพระองค์จริงท่านอจิชิอยู่ในละแวกนั้นเพราะข้าเมื่อข้าพระองค์ไปทุจรงและไปประกาศธรรมหรือไปแนะนําสั่งสอนประเทศสนาอยู่ในละแวกใด ท่านอาจจะชีอยู่ทางทิศตะวันออกข่าพระองค์ก็หันศีรษะและกล่าวไปทางทิศตะวันออกและก็หันศีรษะไปทางทิศตะวันออกแต่วันนี้ท้าวพรท่านอาจจะชี้ไปทางทิศเหนือข่าพระองค์ก็หันศีรษะไปทางทิศเหนือกล่าวไปทางทิศเหนือและก็นอนหันศีรษะไปทางทิศเหนือท่านอาจจะชี้ไปอยู่นักสถานที่ใดในละแวกที่ข่าพระองค์ไปพัก